พระต่อพระพระกับประชาชนต่างฝ่ายต่าง ม, มีศีลมีธรรมตามเพศของตนเข้าคบค้าสมาคมกันเป็นศีลเป็นธรรมชุ่มเย็นภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจเวลาบุ้พบได้เห็นกัมีแต่ธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์ พูดออกไปต่อกันก็เป็นธรรมการได้ยินก็ได้ยินเสียงธรรมความคึดความทราบซึงจากธรรมจะเข้าสู่จิตใจเนื่อยๆแล้วจิตใจก็ชุ่มเย็นเป็นสุขนี่นะเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวทั่วประเทศไทยไปที่ไหนจึงมีวัดมีวา แม้จะสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาก็มีการสร้างวัดแทกขึ้นมาในหมู่บ้านล้านๆเพราะถ้าไม่มีวัดมีวามันหิตใจมาเหวยไม่อบกุลก็หนึ่งว่าลูกกรรมพร้ะว่างั้นถ้ามีวัดมีวาจิตใจก็ร่มเย็นเป็นศพเพราะฉะนั้น ชาวพุทธเราทั้งบ้านตั้งเรือนที่ไหนมักมีวัดประจำหมู่บ้านเหมอเหมอหากไม่มีแล้วมีอยู่ที่ไหนก็ต้องสา ะ, ะแสวงหาหาอัธธรรมเข้าสู่ใจแล้วก็ชุ่มเยนคนเรา ให้เที่ยงกับพระท่านผู้มีศีลมีธรรมจิตใจมันหักเด็นขึ้นมาเองให้เกิดความผีโอดต่ะปะสะดุ้งกลัวต่อบาทต่อกรรมรู้บาตรรู้บุญสะดึ๊ใจแล้วก็ทำความงดเว้นในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย แล้วพยายามสร้างสมสิ่งดีงามให้เกิดมีขึ้นภายในใจเรื่อยๆ เ, เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวดัดจึงเป็นของจำเป็นขึ้นเบื้องตน้นวัดเป็นหัวใจของชาวบา้านชาวบ้านที่มีวดัดที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีใจ ร่มเย็นเป็นสุขพอมองมองเห็นเท่านั้นจิตใจซึมซาบเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาทันทีเรื่องพุทธศาสนาจนึงเป็นาศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดหลวงตาได้เคยพูดอย่างออกหน้าออกตาไม่เคยจะทอกสาทานว่าใครจะมาำํำติ คำิยติเตียนยังไงที่เราพูดชงเชยพูดศาสนาซึ่งเท่ากับพ่อของเราแม่ของเราลูกของใครต้องชมพ่อชงแม่รักพ่อรักแม่ของตนเราเป็นชาวพุทธแยกไม่ได้ ในความรักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แยกกันไม่ออกยิ่งพระพุทธศาสนานี้ด้วยแล้วเป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดเลยท่านเรียกว่าศาสนาคู่โลกคู่สงสารคู่บ้านคู่เมืองของสัตว์โล ก, กทั่วไป เป็นของคู่ควรไปหมดเพราะศาสนานี้เป็นศาสานาที่แสดงออกซึ่งความจริงทั้งหลายไม่มีผิดเพีย้ยนทังที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าสวขาตธรรมหรือสวคขาโตภะควตาธรรมโม พระธรรมอันกระผู้มีประภาคแล้วตรัดไว้ชอบแล้วตรัดไว้ดีแล้วนั้นคือพระพุทธเจ้าเป็นศาสต ร, ราที่ชอบธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยและแรงธรรมออกมาจากพระไทย่ยึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนเป็นความชอบธรรมทุกบททุกบาททุกขั้นทุกภูมิของธรรม ที่แสดงออกมาแก่ศัตร์ทั้งหลายฟังแล้วไปปฏิบัติตามไม่ผิดหวังได้ลผลเป็นที่พอใจพอใจจึงเรียกว่าศาสนาที่เลิศเลย <c oughs> พระพุทธเจ้าทุกๆุกพระโอค์เป็นแบบเดียวกันหมดเวลาทรงบำเพ็ญ ถ้าวันมีก็บำเพ็ญอย่างเดียวกันสลระถึงสละตายสละทุกสิ่งทุกอย่างคือพระโพธิสัตว์เพื่อลื้อขนสัตว์ขึ้นจากกองทุกข์ให้ถึงบรมสุขอย่างน้อยก็ถึงความสุขความเกลิญบันเท่าทุกได้เป็นลําดับลําดาเจ้กระทั่งถึงบรมสุขได้ ท่านที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงต้องเป็นท่านผู้เสียสละจริงๆไม่มีอะไรเสียดายเพราะฉะนั้นการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี้จึงยากมากทีเดียวปรารถนานั้นปรารถนาได้แต่การดําเนินตามความปรารถนานั้นมักจะล้มเหลว ไม่ถึงจุดหมายปลายทางพอปรารถนาไปก็เห็นว่ายากลำบากเลยทอถขอยน้อยใจล้มเหลวไปเลยความปรารถนาก็ถึงแค่นั้นการก้าวเดินไม่ไปความปรารถนามีแต่ความหวังเฉยๆก็ไม่สำเร็จประโยชน์ดังเวลาท่านเสด็จออกมาลงมาจากชั้นราวดึง ให้โปรดพระมารดาข้าเด็กรงมาในแดนมนุษย์เราเวลานั้นท่านทรงสแสดงอิทธิฤทธิให้โลกทั้งหลายได้เห็นโลกถวยเทพและมนุษย์ตลอดจัดตั้งหลายให้ได้มองเห็นกันเต็มหูเต็มตาหายสงสัยมีเวลาพระองค์ทรงเปิดโลกกฐา แล้ว <S an ye o> พวกเทวบุตรเทวดาอินทร์ชมกับมนุษย์ก็เห็นกันได้อย่างชัดเจนหายสงสัยที่ว่าเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีโทมะโลกไม่มีหายสงสัยในเวืาอนั้นทุกสิ่งตัวอย่างเวลาเปิดออกแล้วมันก็มีอยู่ตามความจริงของมันนอกจากเราไม่เห็นแล้วเหยียบย่าไปมา ว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ไม่มีความจริงสิ่งเทพเป็นภัยก็มไม่อยู่สิ่งที่เป็นคุณก็มีมีอยู่ในโลกมีทางนั้นเช่นขวากน้นาเราเดินไปตามทางเราเข้าใจว่าไม่มีภัยไม่มีขวากมีน้นามเราเหยียบลงไปถูกจุด ที่น้ํามีมันก็ยอกเท้าของเราให้เกิดความทุกได้นี่อันนี้เวลาพระองค์ทรงเปิดโลกธาตุทั้งหลายก็ได้มองเห็นทั้งเทวดามนุษย์มองเห็นเทบุตรเทวดาก็เห็นมนุษย์มนุษย์ก็เห็นเทบุตรเทวดาบรรดาอระชาชนทั้งหลายในเวลานั้นซึ่งมีจํานวนมากมาย เกิด ค, ความอัศจรรย์นในพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศเลอเกิดความอุสาพยายามปราถนาพุทธคูคือปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นผู้เลิศเลอเหมือนองศาสดาที่เห็นประจักษ์อยู่เวลานี้ <c oughs> นี่เมื่อพระองค์ทรงทราบก็รับสั่งออกมาว่า เออการปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นของดีของดีของเลิศเลอแต่ผู้ที่ปรารถนาจำนวนมากๆนั้นจะไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนเป็นจำนวนมากผู้ที่ปรารถนาเป็นไม่ทราบเป็นจำนวนล้านล้านหลายหลายล้าน พระองค์ก็ทรงทำได้ว่าปาถนามากเหล่านี้ก็จริงอยู่ <c oughs> แต่เวลาก้าวเดินตามความปรนนัถนานั้นจะไปไม่ไหวเกิดความท้อถอยน้อยใจที่จะลากไปตามทางเดินแห่งความปรัถนาของคนไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่างมากก็ไม่เลยสามลายหรือสามคน ที่จะถึงจุดหมายปลายทางคือได้เป็นพระพุทธเจ้าตามความปรารถนา <c oughs> นอกนั้นก็นล้มเหลวไปคือไปไม่ได้ไปไม่ถึง <c oughs> ท้อถอยน้อยใจปล่อยวางไปเสีย <c oughs> นี่มีจำนอนมาก <c oughs> เพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ต้องเป็นนักเสียสละจริง ควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกได้ถึงเป็นได้ถ้าเป็นอย่างเราเราท่านท่านนีมันเป็นไปไม่ได้เพราะความที่เกียจกี้คร้านถ้าเราสภายย่ามมาเช่นพระนะไปไหนสภายย่ามไปสะายย่ามไ ป, ปโยมไปไหนก็มีกระเป๋าติดกระเป๋าติดตัวติดตัว ความขี้เกียจขี้ค้างความท้ทท อ, ทอแท้อ่อนแอในการสร้างคุณงามความดีนี่กลับเต็มย่ามพระไปหมดแทนที่จะมีอัตมีธรรมในย่ามเลยมีตั้งแต่ความที่เกียจขี่ค้างความท้อแท้อ่อนแอเลี้ยวไหลโลเลยมองดูกระเป๋าญ่ามโยมก็เหมือนกันมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายขัดนั้นข้อนี้ พอที่ จ, จะเลึกถึงพระพุทธเจ้านิเหลกเข้ามาขวางเสียเลยให้เราลึกถึงที่เหลกไปตลอดวันตลอดคืนเราจะมีคนชักชวนไปวัดไปวาความขี้เกียจมันก็เข้าในกระเป๋าเต็มกระเป๋าแล้วดึงของไว้ก้าวไปวัดไปวาก็ไม่ได้จะทําบุญให้ฐานหนักเบามากน้อยเพียงใดตาม ความที่ถูกต้องตามอัตธรรมความตะานหนีที่เหนียวมันก็เข้าไปหลกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสียวเวลาจะดึงเงินออกมาให้ทําบุญให้ทานมันก็ดึงเอาไว้ในกระเป๋ามันไม่ยอมให้ออกจากกระเป๋าได้เลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี้เป็นข้อเทียบเท่าอันเราที่ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยมันยิ่งไกลแสนไกล ตั้งแต่เราไม่ได้ปาฏิารินเราหวังกุนงามพร้อมดีพนั้นอุตส่าห์พยายามสร้างไปให้ได้มากๆความขี้เกียจมันก็เข้าแทกเข้าแซงเต็มกระเป๋าถ้าเป็นคารวะนี่เดี๋ยวความขี้เกียจขี้ช้างความจันหนีที่เหนียวความไม่เอาไหนในทางไม่ดีเต็มกระเป๋าไปเสียนะพูดถึงเรื่องทางพระ เดินลงไปจะไปเดินจงกรมนี่เข้าอ่อนแข้งแข้งอ่อนเข่าอ่อนก้าวขาเดินไม่ค่อยได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามื่อเช้านี้ฉันยังหันมากเลยตกลงเลยเหนื่อยมากนอนไม่จะดีกว่าลนอนไปเสียทางจงกรมไม่เหลือกมองมีแต่หมอนแต่เสือวันหนึ่งวันหนึ่งเงย็บเสือเย็บหมอน ที่นอนไม่ลุกไม่ขึ้นจนเสือขาดหมอนขาดมองไปกุฏิไหนเห็นแต่พระเย็บเสือเย็บหมอนพ่อหมอนขาดด้วยอำนาจแห่งความที่เกียจคิดร้านนอนไม่รูจ้จกักตื่นจงกระทั่งหมอนขาดเสือขาดนี่มันเต็มไปด้วยอย่างนั้นทั้งพวกเรานะอืมเต็มไปด้วยความภาคความเพียรเต็มไปด้วยสติสตงัง เต็มไปด้วยปัญญาพินิจปิจอนารอบคอบในความคิดความปรุงของใจซึ่งเป็นตัวมาให้หาเหตุสร้างแต่ฟืนแต่ไฟให้เจ้าของด้วยความคล่องตัวของมันอเป็นไปตามหน้าแข่งความโลภความโกรธราคะตัณหามันพาหมุนไปในสื่อเหล่านี้แล้วเอาฟืนเอาไฟมาเผาเราอันนี้มันราบรื่น คารวาสก็ราบลื่นชิดได้สะดวกไม่ต้องไปตกไปแต่งนนถนนถนนทางราดโยงราดยางเหมือนที่เขาทำทางรถจนรถไฟสร้างแทบเป็นแทบตายกว่ารถจนจะวิ่งได้รถไฟจะไปได้นะแต่ทางของที่ีราบลื่นไปเลยไม่ต้องหาอะไร มาตกมาแต่งมาลากโจงลากยางอะไรละ่ะมันลาบลื่นของมันนี่คือทางทเฉลีลยเป็นทางลาบลื่นจากหัวใจสัตว์ชิดเรื่องความต่ำซามนี่ลาบลื่นไปเลยถ้าชิดถึงเรื่องอจเรื่องธรรมเรื่องคุณนามความดีนี่เป็นคติธรรมชาติธรรมดามันจะฝืนของมันเรื่อนนี่อันนี้ชี้แจง เหตุการณ์ทั้งหลายที่มันมีในหัวใจของทุกคนทุกคนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบพระบวชเข้ามาที่เลหมันไม่บวชบวชเข้ามามีอุปชาอาจารย์บวชก็เท่าไรก็บวชทิ่เลห์มันนิ้มเหวี่งบวชไปเถอะนัให้สูบบวชไปให้สูบมาบวชทั้งโคตทั้งแส้สูบเถอะเออ คู่นี้เป็นโคตใหญ่ที่สุดคือโคตที่เลยียยคู่ตีทีเดียวงายหมดเลยล้มเหลวไปหมดการจะปฏิบัติตามศีลตามธรรมอันดีงามเป็นไปได้ ย, ย <c oughs> ากเปินไปได้ยากจะก้าวเดินทางความภาความเขียนเพราะหนึ่งว่าทางรงกลมนี้จะถล่มไปแล้วดินจะไหวไปหมดเพราะความขี้เกียจี่คร้ามทับมันมีแต่หมอนเท่านั้นแนะ่ะ นี่แหละกิเลมันลากมันถูมันถุด ม, มันดึงเหล่านี้ผู้ที่จะไปถู่ความดีจึงต้องฝืนกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้ตั้งหน้าตั้งตาโดยธรรมชาติของวันฝืนอจฝืนทำลบล้างทำลบล้างความดีผู้ใดคิดถึงเรื่องความดีค ว, มดความดีขึ้นมากิเลสเหล่านี้จะลบล้างไปตลอด แต่ผู้ที่มุ่งความดีงามทั้งหลายเอาขี้เล็กลบล้างได้ทางนี้ก็ลบล้างกิเล็ได้มันที่เกียจขี้คร้านทอดแแทอ่อนแอรสร้างความขยันหมั่นเพื่อเพื่อมากเพื่อผุนคุณงามความดีขึ้นมานี่มันเป็นอย่างไงเอามันจะหนีทีเหนียวมีเงินหนึ่งบาทจะทานหนึ่งบาทไม่ได้กิเล็ลากเอาไว้จับยัดในใส่ไว้ในกระเป๋า แล้วจะไปซื้อสุรายาเมามาดื่มมากินเราก็แย่งจากมันมาสะ5ห้าขีบตางเพราะอย่างไนึ่นี่ห้าขบตานี้เป็นผลเรื่อโน์ต่อจิตใจของเราส่วนอีกห้าขีบตานั้นวิเดะเอาไปถลุงหมดเอาไปลงทวีปไหนเราไม่รู้เราต้องแย่งมันอย่างนี้เมื่อแย่งไปแย่งมาหลายครั้งหลายผลทาง อาจทางธรรมทางความดีงามทั้งหลายก็ค่อยลาบลื่นขึ้นมาลาบลื่นขึ้นมานี่การทาบุญให้ทานเป็นความลาบลื่นภายในจิตใจของผู้ที่เคยชินในการทำบุญจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาอยู่ไหนถ้าไม่ได้กราบว่าพระว่าพระไม่ได้ทาบุญทำทานหาความสะดวกสบายไม่ได้เลยจะไปนั่งอยู่ในกองเงินกองทองก็ไม่สบาย เพรใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องดึกไม่มีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกะไม่สบายใจเลยนึ่ถ้าได้บำเพ็ญคุณงามขอ ง, งดีภายในจิตใจไปที่ไหนเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจไม่มีโศกเศร้าเหงาหงอยนี่คือธรรมเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจเพราะความอุตสาพยายามของตน ที่อุตษาหแล้วอุษาเล่าจนกลายเป็นความสมัครใจและลาบลื่นขึ้นมาจากการบําเพ็ญของตอนเนี่ยในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนดังที่พูด น, นี่ก็พูดไปถึงเรื่องความปรารถนาเป็น <c oughs> คุตตะภูมิแต่เพียงเราปรารถนาที่จะ ย, ยกตนให้หลุดพ้นจากพอตัวจากพอตัวเท่านี้ก่อนหนักมากนะยกเรานี่หนักมาก ส่วนโพธิสัตว์นี่เพื่อยกสัตว์ทั้งโลกเลยหนักมากขนาดไหนเราเทียบดูดคือลื้อขนสัตว์ออกจากกองถูกเป็นลำดับลำดาคือพระพุทธเทจา้าเมื่อสำเร็จตามความมุ่งหมายแล้วได้เป็นศาสตราของโลกขึ้นมาแล้วสอนโลกได้ถึงสามเดือนโลกกาะที่สอน แต่เรานี่ที่จะมาสอนเราคนเดียวยกเราคนเดียวเข้าสู่ทานเข้าสู่ศีลเข้าสู่เจริญเมตตาภาวนามันก็หนักก็หน่วงทวงตัวเองไม่ให้ทำฝืนบางทีล้มไปทา ม, มันจนได้ขาดความดีที่เคยทำมีอยู่เยอะนี่แหละอำนาจของจิตมันมีอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกโดยกัน ความมากิเลสนั่นคือตัวภัยของธรรมจากตัวภัยของธรรมก็มาคือตัวภัยของเรานั่นแหละเกิดขึ้นที่ใจดวงเดียวกันความรู้คือใจถ้าเรียกว่าใจหรือเรียกว่าจิตได้แก่ความรู้อันนี้แล้วความรู้อันนี้เองนี้เลยก็เกิดขึ้นที่ความรู้คือใจดวงนี้ ทำก็เกิดที่ใจดวงนี้และอยู่ที่ใจดวงนี้ด้วยกันแต่ต่างฝ่ายต่างทงาํางานตามหน้าที่ของตนนิรเลชเป็นฝ่ายมั่วหมองมืดตือ้อเป็นฝ่ายสร้างทุกข์ให้แก่บรรดาสัตว์ตั้งหลายอิจใจของสัตว์ที่มันสักทิศหรืที่มันอาศัยอยู่นั่นเป็นที่หยบย่ําทํำลาย อยู่ในตัวของมันเองจิตของสัตว์โลกจึงเกิดความเดือดร้อ น, อนเพราะกิเลสที่อยู่ในใจนั้นเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองนี่เรียกว่ากิเลสเกิดที่ใจเช่น ค, ความโลภความโกรธราคะตัณหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายชิดสายนั้นสายนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ด้วยความอยากความเฉยอะยานหาหลักหาเข็มไม่ได้นี่เป็นความจิตของที่เหล็กทางานผลรายได้คือนํากองทุกมาเผาหัวใจเราแต่นี้ธรรมะก็เกิดที่ใจของเราเกิดที่ใจมีความดํางรินึกคิดอยากจะสร้างคุณงามความดีมากน้อยก็าตามนิสัยของตนที่มีธรรมมากน้อย แล้ว usaha พยายามทำแต่ส่วนมากในขั้นเริ่มแรกนี้เนื่องของกิเลสนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าตลอดไปเราจะทำความดีกิเลสตีทีเดียวล้มทางหายล้มทางหายไปไเรื่อยๆแต่อ usaha พยายามตั้งขึ้นมาเรื่อยเอาล้มก่อตั้งลง้มก่อตั้งเพยายามเรื่อยแล้วค่อยคืบคลานไปได้ของเรานี่ละ่ะเรายกตัวของเราไม่ได้ ถึงขนาดที่แบบยกตัวให้เป็นพระพุทธเจา้าสั่ ง, องสอนสารโลกทั้งโลกก็าตามการยกตัวของเราก็หนักไม่ใช่เล่นส่วนมากมันยกไปไม่ไหวมันไม่ค่อยยกกันอย่างนขอให้พยายามพากันยกตัวเองฝืนอีิเลตัำหาซึ่งเป็นตัวภยัยภายในจิตใจของเราและสร้างทุกให้เรานี้ด้วยการบึกบืนข้าความดีงามอะไรไม่ดี ถึงจะมีความรักทอบกับมันก็ให้พยายามปัดออกปัดออกเสมอสิ่งที่ไม่ดีจะฝืนใจบ้างเอายอมรับยอมรับหรือความดีนี้จะดีเด่นขึ้นไปเรื่อยการยอมรับที่ยอมรับตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงมองการไกลเห็นได้ชัดเรามองแบบทุกเอาเผาจริงสายตาสั้น อยากได้อะไรก็คว้ามาคว้ามาเป็นฟืนเป็นไฟเป็นพิษเป็นภัยเราก็ไม่รู้ส่วนพระพุทธเจ้าทรงทราบหมดอันนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นพิษเป็นภัยต่อสัตว์ห้ามให้ทำเวลานี้เราทำเป็นความสะดวกสบายแต่หลังจากนี้ไปแล้วจะเป็นยาพิษเป็นมหาภัยต่อตัวของเรานี่พระองค์ทรงทราบไปหมดพวกเราทราบไได้เพียงต้องฟังเสียง ทำของพระพุทธเจา้าให้สมกับว่าคนตาบอดต้องเชื่อคนตาดีคนตาดีชักจูงไปทางไหนให้ลูกศาบึกบืนไปตามคนตาดีแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัย <c oughs> ถ้าบืนไปตามอำนาจแห่งความตาบอดปวดดีกวดดีของตนเองแล้วจะลงเหวลงบอ่อตกหลุมตกบอ่อเป็นไผ่หมาไผ่ชิบหายไหวป่วงเพราะความตาบอด ไม่ลงใครนั่นแหละ <c oughs> นี่เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้ตาดีหูดีและเชื่อตามท่านฝืนตามท่านฝืนกิเลสนั่นแหละไม่ใช่ฝืนใหญ่คือกิเลสถ้าเราจะทำดีมันจะฝืกมันจะขัดขวางตลอดเวลาประหนึ่งว่ากําแพงเกศชันกั้ น, นไว้ให้เราก้าวเดินออกได้เลยนี่เวลาอานาจกิเลสมันหนาแ น, น่นมันปิดตันทางไว้หมด นห้เราก็พยายามแบกบ่าหลายครั้งหลายหงมันมีกี่ชัานกำแพงของเจเล็กกำแพงของฐันไตแหลกไปเลยเมื่อเราเคยทำเไปเแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยขอให้ทุกๆท่กกานจำเอาไว้มิพูดถึงเรื่องท่านการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแสนยากแสนลาบากกว่าที่ะแริญนำธรรมมาสอนโลกสอนพวกเราเวลานี้เพียงขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้า มาแนะนําสั่งสอนโดยที่โพระไม่หวังตอกเบีย้ยกําไรอะไรผลประโยชน์อะไรจากพวกเราทั้งหลายเลยสอนด้วยความเมตตาเลวนแลๆอุตสาหพยายามทําตามท่านผลประโยชน์มากน้อยเป็นของเราพระพุทธเจ้ามานอาแบ่งชันตามส่วนเอาความดีความดีจากเราเลยนี่แงจึงควรอุตสาห์พยายามเกิดมาในชาตินี้เหมาะสมแล้วได้พบทั้งพระ ได้เป็นทั้งทั้งมนุษย์ด้วยได้พบทั้งพระพุทธศาส น, สนาด้วยแล้วได้มีความเคารพเชื่อถือท่านได้สร้างคุณงามความดีด้วยตลอดมาเรียกว่าเราสมมตกสมหมายแล้วจึงพยายามไปบำรุงความดีของตนเองที่ได้มาสมมตกสมหมายนี้แล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปใจอยองนี้เมื่อได้รับการบำรุงความดีจากเราแล้ว จะพาเราไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมไปเรื่อยๆเมื่อความดีงามสมมากสมผลเต็มที่เต็มหัวใจแล้วหลุดพ้นต่นถึงพระนิพพานเลยไม่ต้องมาลบลากันกันกบวิเลตันหาที่มันเคยเป็นค่าสึทิต่อเราอีกนี่เวลายากก็้องยากเป็นอย่างนี้แหละให้พากันจดจำเอา พระของเราเขาให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกําจากกิเลศคาว่าพระว่าบวชก็คือการยกเว้นการเว้นจากความชั่วช้าละโมกทั้งหลายที่จะเป็นภัยพระเราเว้นทางนั้นปัดทางนั้นเรียกว่าพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐบวชคือการเว้นเว้นความชั่วช้าละโมบทั้งหลายบําเพ็ญตนในศีลในธรรมศีลบวชเข้ามาแล้ว ในวันนั้นมีศีลเต็มตัวท่านบอกไว้พอประมาณว่าศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด <c oughs> นี่เรารักษาได้ถูกข้อถูกอทกองเรามีศีลเต็มตัวตั้งแต่คนาบวชแล้วรักษาตลอดไปเราก็มีศีลเต็มตัวเต็มตัวตลอดไปอย่านั้นก็บำเพ็ญอัดบำเพำ็ญทรรม่ติตภาวนาเป็นคู่เคียงกันไปกับศีล้เรามีศีลจิตใจมีความอบอุ่น เพราะเราไม่ล่วงเกินศีลข้อใดพอจะให้ศีลของเราด่างพร้อยและขาดทะลุไปซึ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนความถูกให้แก่เราแม้จะภาวนาหิดก็ไม่ลงเพราะเป็นกังวลกับศีลไม่บริสุทธิ์อันนี้เมื่อเรารักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นพระร้อยเปอร์เซ็นคือศีลเต็มตัวแล้วเราจะเจริญ จ, จิตตาภาวนาจิตก็ไม่เป็นกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นเป็นกังวลกับสิ่งอย่างนี้เป็นต้นไม่มีเพราะเรารักษาดีแล้วที่ทําจิตใจให้สงบเย็นจิตนี้จะดีจะดิ้นอยู่ตลอดเวลาจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องรักษา อ, าอา้อสถิธรรมตั้งสติให้ดีแล้วให้ใคลบรุญกรรม ให้พวนาในคำบทใ ด, ด <c oughs> ให้ยึดเอาคำรรมืรคำบทนั้นมากํากับใจของตัวเองแล้วมีสติควบคุมอีกขั้นหนึ่งไปที่ไหนให้เป็นเหมือนกันกับผู้ต้องหาถูกควบคุมไปตลอดคำว่าถูกควบคุมนี่คือควบคุมใจควบคุมทำไมใจ ก็ใจมีตั้งแต่พิษแต่ภัยมีแต่โทษแต่กรรมเต็มหัวใจีิเลสตันหาเต็มมที่หัวใจเถอะไม่ได้มันจะฉุดลากออกไปย่ำยีตีแหลกหมดเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมคำว่าควบคุมอันนี่คือควบคุมไม่กิเลสที่เป็นตัวภัยเข้ามาทำลายจิตใจให้มีคติธรรมคัมบุริกรรมติดแนกอยู่ภายในจิตใจของเรา รักษาใจให้ดีนี่จิตของเราเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากอาจจากธรรมมีขมือกรรมและสติธรรมเป็นต้นแล้วจะค่อยมีความสงบร่มเย็นพอใจสงบร่มเย็นแล้วโลกนี้จะปรากฏว่ากว้างขึ้นมากว้างขึ้นมาทั้งทั้งที่โลกเขาก็มีตามเดิบกว้างแคบเราก็เห็นกันอยู่นี้แหละแต่มันเป็นอยู่ที่ใจเวลาใจมีความคับแคบติดกันอั้นตู้ มีแต่ความทุกข์ความทรมานบี้บี้สีไฟอยู่ใจดรงเดียวนี้โลกในกลายมัาเป็นโลกที่แคบแทบอยู่ที่จิตใจทีนี้เวลาใจมีความสงบโร่งเย็นจกใจนี้จะกว้างออกไปกลายเป็นโลกกว้างไปหมดกว้างไปหมดนี่อบรมจริตใจให้ดีขอให้ทําจิตใจให้มีความสงบเย็นเถิดเราจะเป็นการสร้างความมั่นใจหลักฐาน อันมั่นคงเป็นลำดับลำนาขึ้นที่ใจของเราเรื่องพบเรื่องชาติเกิดแล้วมาชาตินี้จากนี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนนั้นขอให้ทำคือความดีงามของเราเป็นเครื่องตัดสินเองืงสถานที่จะไปเกิดนั่นเรื่องธรรมเรื่องความดีงามจะไม่พาเราไปเกิดในสะถานที่ไม่ผึงหวัง แต่จะพาไปเกิดในสถานที่ดีคติที่พึงหวังเป็นโดนดับลําดาไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดนิรุนถึงพันิพาณนี่ความน่าแข็งความดีทางนั้นยึงพากันบำรุงจิตใจของเราซึ่งเวลานี้เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเพราะเจ้าขอ ง, งเล่นเล่อเพลสติมิ่งตามแต่พิเดชให้เอาฟืนาไฟมาเผา ต, ตัวตลอดเวลา และให้มีทรรมเป็นเครื่องยับยั้งหรือปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นออกมีสติรักษาปัญญาสอดซองพิจิพิพพพจารณาความดีชั่วต่างๆไม่ให้เข้ามาลังแต่จิตใจในิบบีสีไฟใจได้ใจเมื่อมีทรรมเป็นเครื่องบำรุงรักษาอยู่แล้วก็จะมีความชุ่มเย็นชุ่มเย็น หิตไม่เคยเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงด้วยความสงบเย็นก็จะปรากฏขึ้นมาที่ใจของเราที่รับการบำรุงรักษาอยู่นั่นแหละจากนั้นก็เสริมกันขึ้นเสริมกันขึ้นความสงบของใจจะสงบหนานแน่นมั่นคงขึ้นเรื่อยความรู้ความละเอียดของใจความสว่างสัยที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นโดยลําดับลําดา นี่เรียกว่าจิตสงบแล้วยังสร้างความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นดีใจของเราในขณะที่จิตสงบทั้งๆที่เรายังไม่เคยมาแต่ก่อนไม่เคยเห็นจิตเป็นยังไงเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์อะไรส่วนมากโรคทั้งโลกถึงแต่สิ่งภายนอกเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์กันทั้งนั้นล่ะเพราะฉะนั้นอะไรผานเข้ามาจึงดี้นึิงดิ้นตื่นเต้ น, เ, ตน เ, ขเขาอะไรมาข้ามาข้ามา <c oughs> นี่คือเห็นสิ่งภายนอกดีกว่าสิ่งภายในใจกลายเป็นบ่อยของยิเด็ตัณหานั้นเลยไม่มีคุณค่าทีนี้เมื่อเวลาเราได้รับการจิตจได้รับการอบรมแล้วจิต <c oughs> จะมีความช่งงางงามขึ้นมาแล้วก็เลยรวมเข้ามาว่าสิ่งที่ดีงามทั้งหลายไม่นอกเหนือไปจากกันสิ่งภายนอกแต่ว่าเลิศเลอขนาดไหนเอาไว้มาเทียบกับใจแล้วเข้ากันไม่ได้เลยนี่ ผู้บำเพ็ญจิตใจให้มีความสงบเย็นเปน็นอย่างนี้จากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาความค่องแค่ว่างไวด้วยความชิดความผานในธาตุในขันความเป็นความตายของตัวเองซึ่งโลกนี้เป็นโลกป่าช้าของสัตว์เราก็เป็นป่าช้าของเราสัตว์เป็นปราช้าของสัดเขาอยู่ที่ไหนถึงการเวลาที่จะล้มหายตายจากกันแล้วปิดไม่อยู่เอาไว้ไม่ได้ ต้องตายด้วยกันเพราะฉะนั้นป่าช้าจึงมีอยู่กับทุกคนไม่จำเป็นจะต้องไปหาป่าช้าที่นั้นที่นี่ความตายอยู่กับเราป่าช้าก็อยู่กับเราเอามาพิจารณาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหนาถ้าวรนพอที่จะตายใจกับมันให้พยายามฟี จ, จิตใจของเรามีความแน่นหนามัน่นคงแล้วมันจะค่อยสลัดสิ่งที่ไม่แน่นหนามั่นคงนี้ออกไปออกไปกลายเป็นตัวของตัว ด้วยกาด้วยทำแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจขึ้นเป็นลาดับลาดานี่เรียกว่าสร้างที่พึ่งภายในใจนีเวลาสร้างหนักเข้าหนักเข้าการเป็นการตายซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยกินี่ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนมันบอกชัดเจนอยู่ภายในใจเป็นความประจักษ์แล้วมีความปอุภูมิแล้วมัดใจขาดเมื่อไรดีบถึงไปทางดีเลยนี่เป็นอย่างนั้นนี่ละการบําเพ็ญธรรมตั้งแต่ทำอีก ให้สงบเย็นก็จะเริ่มดิบก็จะเริ่มมีคุณค่ามีราคาขึ้นมายิ่ง ม, มีปัญญาพิณิพิจนาแนะยกเแ ย, เยต่างๆตามสัดส่วนแหง่งกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นอยู่ในร่างกายของเราทั้งของเขาทั่วแดนโลกธาตุเป็นเหมือนเดียวสิ่งเป็นเป็นชนิด เ, เป็นอย่างเดียวกันนี้หมดไม่เป็นสิ่งที่จะตายใจได้ตามที่ทพระ อ, อัญญาโคนัญญาท่านแสดงไว้ด้วยความเห็นธรรม พญ่าผ้าัญญกุลา ญ, าญญาท่านว่าอายโโุสตวกุลัญญาสาวิริชังวิตามะลังธรรมะจักคุ้งอุราาดรปารีเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมถึงนิี้มุดหลุดพ้นให้เป็นจลอคีฟังผ้าญากุลัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคือกระแสแห่งความแน่ น, นอนแห่งความฝากเป็นฝากตายของใจได้คือธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วในขันนั้นจึงได้เปล่งอุทานขึ้นว่า ยังจริงๆจีสุบรรยธรรมังสัต บ, บัญฑังนี้เราแล้วธรรมัสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนั้นรอบตัวนี้ดับหมดเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับที่ไม่ดับก็คือธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นอยู่ในขณะนั้นธรรมนี้เป็นที่ตายใจได้เลยนี่ยท่านเอาเนี้ออกมาอ้อเป็นอุทานว่าสิ่งนี้ไม่ดับสิ่งนี้ตายใจได้พึ่งเป็นพึ่งตายได้ตลอดไปจนถึงนิพพาน นี่ท่านยึดอันนี้ได้นอกนั้นท่านปล่อยไปเพราะไม่แน่นอนอยู่แ้วกันตายจากกันพราดพลาดจากกันเมื่อไหร่ก็หาความแน่นอนไม่ได้ทั้งๆที่อยู่ด้วยกันเชื่อมันไม่ได้นี่ก็คือสังขารร่างกา ย, ยนี่แหละเราสร้างเสียตั้งแต่บัตรดีที่มีชีวิตอยู่ได้เป็นของไม่ตายมาตลอดกาลไหนๆเมื่อชาําระสซัฟฟอให้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นธรรมทา่าขึ้นมา ดังคระพูดแต่เจ้าพระาารหัสทั้งหลายใจท่านเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุอยู่เวลานี้คือใจที่บริสุทธิ์นั่นเองไม่เลยไม่ได้สูญไปไหนไม่ได้ชีพหายไปไหนแม้เวลามีกิเลสอยู่กิเลสอยู่ก็ไม่สูญไม่หายตกนรกหมกไหมขีดกัดขีด ก, ก, กันก็ยอมรับวบาปถูกทุกขนาดไหนยอมรับบาปถูกแต่จิตไม่เคยชีพหายเมื่อพ้นจากนั้นแล้วสร้างความดีงามขึ้นมา ซักฟอกจิตจนกะลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็ถึงนิพพานเนี่ยว่าธรรมธาตุนี่แหละสิ่งที่เราตายใจได้คือความดีงามทั้งหลายส่วนสังขารร่างกายเป็นธาตุเป็นขันเราก็ต้องอู้สาไปอยามมีเกณนหขวนขวายเพราะธาตุขันนี้มันอยู่เฉยเฉยไม่ได้ควรตลอดเวลาพ้าอยู่พ้กกินพ้าหลับพานอนพ้าขับพ้าถอย พาร์ทถ่ายอยู่ตลอดทั้งเขาทั้งเราจึงต้องวิ่งเต้นควงขวายมาเยียวยารักษาพอประทางประทางกันได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ปลเรียกว่าที่พึ่งของกายได้แตะ่ะอาหารการบริโภคที่อยู่หลับนอนนี่คือที่พึ่งของกายที่พึ่งของใจคือกุงาจความดีการให้ทานการรักษาสิ่การเจริญเมตตาภาวนานี่คือเรือนของใจที่อาศัยของใจให้ได้ทั้งสองอย่าง ร่างกายเป็นความจำเป็นในรามีชีวิตอยู่ก็ให้ควนขวายตามกำลังความสามารถของตนและทางจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราความเดือดร้อนเนื่องจากที่เด็กบีบี้สีไฟก็ให้สร้างสวยงามความดีมีจิตตภาวนาเปน็นน้องขันเข้าต่อต้านกันกันกบความทุกข์ที่ที่เด็กยกทัพมาตีจิตใจเราให้มันขยายโถไปใจของเราก็จะมีความสงบร่มเย็นได้เรื่อยไป นี่แหละทำเป็นอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้นะเรื่องธรรมนี้เกิดมาถึอยู่เพิกี่ชาติไม่ได้พบไง่ายๆนะเดี๋ยวแวกไปเกิดเป็นสัตว์กเป็นนั่นเป็นเปรตเป็นผีโอเคนี้เกิดกี่ครั้งกี่ขนมีแต่ผิดแต่พลาดเกิดไม่ได้ถูกจูนหมายปลายทางเลยแต่เมื่อคราวนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถูกต้องแล้วโดยนับถือพระพุทธศาสนาเลยทําบุญให้ถามด้วยแล้วถูกต้องดีเรียบร้อยแล้วจับให้ติด ยาต่ อ, อย่าวางอันนี้เราจะพาเป็นธรรมที่พึ่งเป็นพึ่งตามได้แต่คุณ ง, งามความดีที่เราสร้างไว้นี้หลึ่ <c oughs> นี่เราจะพาให้หยุดพ้นไปได้นอกจากนี้ไม่มีาศาสตรางค์เอกสอนไม่อย่างแม่นยาขอให้ปฏิบัติมันจะยากลําบากขนาดไหนขอให้เชื่อสัจธรรมบูรณาตามสัจธาอย่าเชื่อกิเลสจะจมจะจมทางนั้นเพราะกิเลสมีตัวหล่อปลงโลกมานานแสนนน ตั้งกับตั้งต่าโลกทั้งหลายหาความสุขความสบายไม่ได้ก็เพราะถูกต้มถึงจากี่เลยที่มันหลอกลวงนั่นแหละแต่ธรรมไม่มีคําว่าหลอหลวงความสัตว์ของจริงทุกแัตวทุกส่วนอยู่กับธรรมทั้งหมดอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นให้เรายึดธรรมนี้ไว้ให้ดีวันนี้ก็เลยเทศนาว่าการเป็น <c oughs> ที่มงึงเพื่อเป็นที่มึงคนแก่บรรดาพี่น้องทางชาวโพธาลามซึ่งมี จิตใจเป็นกุศลเรื่อยมาแล้วมีพระเจ้าประสงค์มาจํานวนมากคยฟังอ่าฟังทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่จิตใจของเราก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแจกขานแจกการเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอสิ่งที่สั่งที่เสียเทสนาวาการแล้วอย่าลืมนะ ให้จับติดจับติดเอาไว้เอ็นที่ยลึกจันถ้าท่านทั้งหลายแล้วลึกถึงอักถึงธรรมตามที่สอนมีหลวงตากับท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ห่างกันท่านทั้งหลายจะพูดเจ้าพระธรรมประสงค์ก็ไม่ห่างกันนะถ้าไม่ลึกถึงอักถึงธรรมแล้วมีมีแต่กิเลสมันจูงไปนี้เอาดีไม่ดีคอขาดเลยตกเหวตกบอ่ออยากตกเหวตกบอ่อไหม ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ไม่อยากตกให้ยึดพุทธธรรมสงความดีไว้ให้ดีนะ